ในกรณีที่ความคิดอกุศลเกิดขึ้นแล้วท่านก็แนะนำวิธีแก้ไขไว้และวิธีแก้ไขนั้นส่วนมากก็ใช้วิธีโยนิโสมนั ส, สิการแบบเรากุศลนั่นเองดังตัวอย่างในวิตากสันฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงแนะนำหลักทั่วไปในการแก้ความคิดอกุศลไว้หขั้นมีใจความว่าถ้าความคิดความดาริที่เป็นบาปเป็นอกุศลประกอบด้วยฉันทะ ฉันทะในที่นี้หมายถึงตัณหาฉันทะคือราคะหรือโลภถ้าความคิดความนัมริที่เป็นบาปเป็นอกุศลประกอบด้วยตัณหาฉันทะหรือโทสะหรือโมหะก็ตามเกิดมีขึ้นอาจแก้ไขได้ดังนี้หนึ่งมานสิการคือคิดนึกใส่ใจถึงสิ่งอื่นที่ดีงามเป็นกุศลหรือหาเอาสิ่งอื่นที่ดีงามมาคิดนึกใส่ใจแทน เช่นนึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดเมตตาแทนสิ่งที่ทำให้เกิดโทสะเป็นต้นถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วยังไม่หายพึงใช้วิธีต่อไปคือสองพึงพิจารณาโทษของความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นว่าไม่ดีไม่งามก่อผลร้ายนำความทุกข์มาให้อย่างไรอย่างไรถ้ายังไม่หายพึงใช้วิธีต่อไปคือสไม่คิดถึง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 เกิดจากมูลเหตุปัจจัยอะไรถ้ายัางไม่หายพึงใช้วิธีต่อไปคือหพึงขบฟันเอาลิ้นดุลเพดานอธิษฐานจิตคือตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดียวคมใจระงับความคิดนั้นเสียบางแห่งท่านแนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับแก้ไขความคิดอกุศลเฉพาะอย่างไว้ก็มีเช่นแห่งหนึ่ง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 ความประพฤติทางกายไม่เรียบร้อยหมดจดแต่ความประพฤติทางวาจารเรียบร้อยหมดจดก็มีบางคนความประพฤติทางวาจาไม่เรียบร้อยหมดจดแต่ความประพฤติทางกายเรียบร้อยหมดจดก็มีบางคนความประพฤติทางกายไม่เรียบร้อยหมดจดความประพฤติทางกายก็ไม่เรียบร้อยหมดจดความประพฤติทางวาจาก็ไม่เรียบร้อยหมดจดแต่ทางใจ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 ใจก็ดีงามผ่องใสได้เรื่อยๆวิธีแก้ไขกำจัดอาคาตก็คือ 1. สําสำหรับคนที่เสียด้านความประพฤติอาการกิริยาทางกายแต่ความประพฤติการแสดงออกทางวาจาเรียบร้อยดีเมื่อจะแก้ไขกำจัดอาคาตนั้นไม่พึงมนัสิการคือใส่ใจคิดถึงความประพฤติที่ไม่ดีทางกายของเขาพึงมนัสิการเฉพาะแต่ความประพฤติดีงามทางวาจาของเขา เปรียบเหมือนพิสุผู้ถือทุดงคร้องผ้าบางสุกุลเดินไปพบเศษผ้าเก่าบนท้องถนนเธอเอาเท้าซ้ายกดแล้วเอาเท้าขวาคลี่ผ้านั้นออกส่วนใดยังดีใช้ได้ก็ฉีกเอาแต่ส่วนนั้นไปสองสำหรับคนที่เสียทางด้านความประพฤติหรือการแสดงออกทางวาจาแต่ความประพฤติทางกายเรียบร้อยดีในเวลานั้นก็ไม่พึงมณัติการ ถึงการที่เขามีความประพฤติเสียทางวาจาพึงมานัติการแต่การที่เขามีความประพฤติ ท, ทางกายเรียบร้อยดีเปรียบเหมือนสะโบกกรณีมีสารายจอกแหนคลุมเต็มไปหมดคนเดินทางร้อนแดดเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมาถึงเข้าพึงลงไปยังสะโบกกรณีนั้นเอามือทั้งสองแหวกสารายจอกแหนออกแล้วกระพุ่มมือกอบแต่น้าขึ้นมาดื่มแล้วเดินทางต่อไป สาสำหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจาแต่ใจรู้จักปลอดโ ป, ปร่งดีงามผ่องใสเป็นครั้งคราวในเวลานั้นไม่พึงมานสิการที่เขามีความประพฤติทางกายและวาจาที่เสียหายพึงมานสิการแต่การที่เขามีจิตใจเปิดช่องผ่องใสดีงามได้เป็นครั้งคราวเปรียบเหมือนมีน้ําขังอยู่เล็กน้อยในรอยเท้าโคคนหนึ่งเดินทางร้อนแดด เหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมาถึงเขาเขาคิดว่าน้ำในรอยเท้าโคนี้มีเพียงนิดหน่อยถ้าเราเอามือวักหรือใช้ภาชนะตักดื่มน้ำก็จั ก, กระเพิ่มและขุ่นคลักขึ้นถึงกับทำให้ใช้ดื่มไม่ได้ถ้ากระไรเรากวนลงนั่งคุกเขา่าเอามือยันก้มลงเอาปากดื่มอย่างวัวเถิดเขาคิดดังนั้นแล้ว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 โดยคิดว่าโอ้หนอขอให้ท่านผู้นี้ละกายทะทุจริตบําเพ็ญกายทสุจริตได้เถิดขอให้ละวจีทุจริตบําเพ็ญวจีสุจริตได้เถิดขอให้ละมะ โ, นโนทุจริตบําเพ็ญมโนสุจริตได้เถิดขอให้ท่านผู้นี้อย่าได้ตายไปเกิดในอบายทุกติมินิบาตนรกเลยเปรียบเหมือนคนเจ็บไข้ได้ทุกขป่วยหนัก กำลังเดินทางไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็ยังไกลหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลเขาไม่อาจได้อาหารที่เหมาะไม่อาจได้ยาที่เหมาะไม่อาจได้คนพยาบาลที่เหมาะไม่อาจได้คนพาไปสู่ละแวกบ้านมีคนผู้หนึ่งเดินทางไกลมาเห็นเขาเขาพึงเข้าไปตั้งความเมตตาการุณความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่คนที่เจ็บไข้นั้นด้วยความคิดว่า โอ๋หนอขอให้คนผู้นี้พึงได้อาหารที่เหมาะเถสมพึงได้ยาที่เหมาะเถสมพึงได้คนพยาบาลที่เหมาะเถสมพึงได้คนพาไปสู่ระแวกบ้านที่เหมาะเถสมขออย่าให้คนผู้นี้ต้องถึงความพินาศเสียณที่นี้เลยห้าสำหรับคนที่ดีทั้งความประพฤติ ท, ทางกายทั้งความประพฤติ ท, ทางวาจาก็เรียบร้อยจิตใจก็ปลอดโปรง่งบีงามผ่องใส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 เรียบเหมือนสะโบกรณีมีน้ำใสเห็นแจ๋วเยน็นฉ่ำน่าชื่นใจชายฝั่งบริเวณก็ราบเรียบน่ารื่นรมปกคลุมด้วยหมู่ไม้นานาพันคราวนั้นบุรุษหนึ่งเดินทางร้อนแดดถูกความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมาถึงเข้าเขาลงไปยังสะโบกกรณีนั้น ทั้งอาบทั้งดื่มแล้วขึ้นมาจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ภายใต้ร่มไม้ที่ชายฝั่งสระนั้น